มหาปติประปธานาสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งห i, ลายเวลาวันนี้ทั้งวันนับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเชาน้าจนกระทั่งถึงวันนี้บารมีสิบระการทรงอยู่ในใจท่านตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่า บารมีสิบแปดกายก็คือหนึ่งทานบารมีศีลนบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอริธานนบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี คำว่าบา ร, รมีแปลว่าเต็มคือเรามีกําลังใจเต็มเนื่องจากการอย่าให้เป็นการทําลายโลภะมีหรือเปล่าบกคล่องไหมสีขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดสีขาบทสนัคพระในฤาษีแสงสีขาบทสิบเสกขิวัดอีกเจ็ดสิบห้าเป็นสีนั้นบา ร, รมีบกคล่องหรือเปล่าในขมะบา ร, รมีคือเรายอมให้นิวรนมรกวนใจกันบ้างหรือเปล่า ปัญญาพิจารณาเรื่องของขันห้ามีบ้างหรือเปล่าครบถวนตลอดวันไหมเวิยะการอดทนไหมความกระต่อสู้ตัวประสาท ก, กำลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจและ่อา ร, อรมณ์ฟุ้งซ่านและจิตไม่ทรงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่ออารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าศัสจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ท้อถอย อธิษฐานตั้งมั่นในอารมณ์ว่าเราต้องการคำว่านิพานสะสัตติคิริยายะเอตังกาสาวังกะหิตวาซึ่งแปลเป็นใจนความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัสิเพื่อทำให้แจ้งสิ่งิพญานครบถวนไหมมีประจําใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทํารายทําลายร้ายบุคคลอื่นมีหรือเปล่า จะ เ, เว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปหรือเปล่าอ้มเบกขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอำนาจของกิเลสไม่ความมังกิเลสไม่มีอำนาจเหนือจากเรากิเลสมันจะมาแบบไหนก็ตามเราทําใจวางเฉยมุ่งหน้าไวา้เฉพาะแต่รมในในคําที่ีกว่ามุ่งทําความดีเพื่อนิพพาน ทำลายอารมณ์ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราคืออารมณ์การฟุ้งซ่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทำสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร่องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนซะแล้ว ก็ว่าเราอยู่ในศาสนาพุทธองค์สมเด็จพระเบธีบแก้วต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกับท่านในข้อที่ว่าอ่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สัมปชัญญบัพใช่ไหมอิทธิยาบทอิทธิยาปฏบิบับพเมื่อคืนนี้สัมปชัญญบัพสำหรับ เรื่องนี้ก็เป็นปฏิกริบัตสสำหรับปฏิกริบัตนี้รู้สึกว่าเข้าท่ามากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าในอนาปานุสติในอนาปานาบกคนดีการกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกอิริยาทบบัพอิริยาธรรม บ, บัพไหมายตามอิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีนี่เป็นการกำหนดรู้ เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในลงของความดีตลอดเวลาดังนั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุกทุกบท ต, ตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดคิดแล้วจงจำจำแล้วจงปฏิบัติปฏิบัติแล้วจงละ ตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหานมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสําคัญถึงและไม่ถึงไม่สําคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานอย่าลืมสับว่านิพพานัาสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังกชิตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพาน ทางใดพระพุทธพจนใดที่องค์สมเด็จพระิชิตมานบรมศาสตร์สันดาสมาสมแต่เจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระเจ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาบวะ่ละแล้วคนละเด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมทําเท่านี้มันก็จะเกิดผลจากความดีขึ้นแต่กําลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่าท่านหลายมีกำลังใจเต็มในบารมีทั้งสิบรายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกร่องอันนั้นหมายความความปรารถนาของท่านในคำว่านิพพานาสากขิกิริยาเอตังกาสวาวังหิตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า ท่นนานท่านหลายเมื่อเราฟังแล้วจงจำจำแล้วจง ค, คิดคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามหาทางทำลายล้างกิเลใสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสํานวนบาลีที่องค์สมเด็จเปชินสีบรมัสาสนดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าสุนตัดในปฏิคูละบักผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเพื่อก่อนจะเป็นภาษาไทย เป็การยกตัวออกว่าคำสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่กล่าวว่าอย่างนี้ปุณะจะบรังพิฆเวพิขโคเป็นต้นความว่าดูก่อนพิสุทังหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาเห็นกายอย่างนี้แลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไป เบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยในที่สุดโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอาธิวาสมิงกาเยเกสาโลมานะคาทันตาตโจมังสังนาหารอาูอธิอธิมินชงังวากาหัตยังยะกนัง อีโลมากลางเบียกกลางปุบมาผ้าสังอันตังอันตุคุณนางเป็นต้นที่ตั้นสวยกันจนคล่องนะแต่ถ้าว่าสวดแบบนกแกว้วนกคุณทองในความเคารพในพระเจ้าก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยเนี่ย น, นี่เราใช้ันให้หมดว่ามีอติวัมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็เนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหวัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยในไส้น้อยวก็ว่าสายรัดไส้ที่มันพบไปทุกมานอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงืออ่อน้ำมันค้นน้ำตาเปล่า น้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกใครข้อมูดไม่ให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายแม้ฉันใดทยที่มีปากสองข้างนี่ที่ต้องเคยพูดเสมอเสมอว่า้ถุงอุจจาระที่เต็มไปด้วยธัญมชาติมีรายการต่าง เพื่ออะไรบ้างได้กันคือข้าวสลีข้าวเปลือกตัวเขียวถั่เหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจืสุแก้ไถ่แน อ, อกแล้วเพิ่งเห็นได้ว่านี่ข้าวสลีนี่ข้าวเปลือกนี่ตัวเขียวนี่ถั่เหลืองนี่งาเหล่านี้ข้าวสารเพื่อดูก่อนพิรุษหลายอ่าชั้นนั้นชั้นใด อันนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดวิประการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับ มีพืไตอิปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหมือน้้ำมันน้ำน้มันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกไข้อมูดดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิงกายในกายบ้าง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 ก็หรือสติว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเดินเธอนันแต่เพียงสัตธรรมไปเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดเืออ ะ, อะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุจน์ังหลายพิสุจ์ย่อมพิจารณาให้กายเนืองเ น, องเ น, องเนืองอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่นั่นว่ามา ถว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ท่านจะบอกว่าไอเจ้าเถร น, นี่มันสร้างคำสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นภาษาสัดาเอาเองผมก็ขอแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนำอภัพบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตัสมาสมพุทธเจ้า นี้เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกูละบับถ้าเราจะไปดูในกรรมฐานสี่สิบนวิสุทธิมัรก็ได้แก่กายคตานุสติกรรมฐานปฏิกูละบับนี่คืออาการสามิบสองของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ม่ขอซ้ำ ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดคือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระหลานย่อมมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้ว พระองนั้นเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้พระอะไรปฏิกรา บ, บัมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาครบครับจริงๆแต่ว่าท่านหลายจงอย่าลืมย้อนตน้นนักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งตน้นอานาปานา บ, บ การกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟาุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปทรงสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าสามรายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้คบทนเมื่ออารมณ์ทรงตัวดีแล้วด้วยนาปานาบบแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวมทั้งนิยาบทที่เคลื่อนไป กำลังใจที่เราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่ า, าการสามพิบสองที่กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปรกหรือไม่สะอาดเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้าง และก็พิจรารณากายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยอาการสามสิบสองนี่ว่ามันส ก, สกรปรกหรืสะอาดท่านบอกว่าสกรปรกสกรปรกจริงไหมล่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าสเสลต ท, ทำลายเป็นต้น อุจาระวัสสาวานะนโมจุดขุดในียวจาระวัสสาวะพวกนี้ ม, มันสะอ า, า, า ด, าาดาและมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาแล้วจะมานั่งเกณฑ์ให้คน น, นั่งคนนี้ก็ช่วยให้เกิดปัญญาเป็นนั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนคนี้ก็ช่วยเกิดสมมือให้ชาสร้างให้เกิดสมาธิ พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าอาขาตาโรตถาคตาตถาคตรเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมีลำรับตำราดูครบหนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันได้ยังไร้ปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระสิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ ป, ชปัญญากันให้ดี นั่งนึก ด, ดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับเป็นผืดไตปอดสะอาดหรือสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรกอุจจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสกปรกท่านเปรียบเทียบว่ า, วาเหมือนกับถุงหรือว่าไถ้ที่ก็ใส่ของไว้ภายใน มุษเปิดออกมาแล้วแกะมาดูรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กันหนังกระพราที่ปกปิดเขาไว้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันห่ออุจาระเขาไว้ห่อของโซโครเขาไว้ ถ้าบังเอิญใครเขาจะเอาถุงผ้าแปลใส่อุจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเซ็งให้ภายนอกให้มีชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาบรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจาระนี่ท่านจมแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาหรือไม่เอาเอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาเรเาไม่เอา ถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาที น, นี้ร่างกายของเราก็ร่างกายขขงบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจาระปั ส, สวะมันลางไหลมันจะร่างกายไม่หยุดไม่หย่ยอนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จาทำไมเราจะไม่คิด เราก็จําแล้วก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่หรือยม่นสะอาดและมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นปรีกูใยสัญญาได้ปริกูระบับมันสกปรกเราก็มาต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนี่พูดกันชัดๆง่ายๆ นี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สัตธรรมมีเห็นอยู่ก็สัต่รวมเห็นรู้ความเกิบและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่ง ใ, ใดๆทั้งหมดในโลกเห็นไหมตัวนี้เป็นมีปเสนายญาณทุกข้อในมหาปฏิปทานาสตร ข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทําให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักตะบเห็นสักตะบะที่เลึกสักตะบะที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหม นี่ได้แก่ส ก, กายะทิฐิตัดส ก, กายะทิฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตัด ก, กิเลสหมดในสังโยชน์สิบทั้งหมดนี่เราก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสุกปรกร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสุขกปรกเมื่อร่างกายมันสุขกปรกทั้งสองอย่างเราควรระคับประค ร, ระองไหม เป็นอนุวาตทุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีตอนนี้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคาว่าสกบรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคอง มหมายความไอคนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายแต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเลือหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระเรวัตว่าพระเรวัตเป็นเด็กเด็กอายุเจ็ดปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยยี่สิบปีแก่งหงเหล็กหนังตกกระฟันหัก ฟันหลอผมหงอกหนังตกกระร่างกายโค้งลงมาท่านรังเกียจว่าร่างกายเป็นของไม่ดีถ้าเย็นถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในตัวการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันท่านก็หนีกบวดเพราะใช้ปัญญานิดเดียวว่าไอ้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปสนใจมันทําไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่ท่านเห็นแล้วเป็ น, ป น, น, าานวิปสัส น, นาญาณไอวิปัสนาญาณนี่เปว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าไม่แปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดกันใหญ่หรือไม่ต้องเข้าใจกันแล้วเป็นวรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะในในปริกูณระบบท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะ ทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาท่านบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจากลร้างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็ ม, มไปด้วยความสปกปรกคนนั่งใช้ปัญญาที่เจรนาดูสิจใจผมไปนั่งพนาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาแล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจําแล้วก็ปล่อยไว้ตามเรื่องตามราวแล้วไม่ได้สนใจใครแล้ว นี่ทาตามหน้าที่แต่นั้นใ้แค่ให้ใครอยู่ใครให้ไปมาแค่ใครนะไม่เอาอใครไม่อยากจะรักดีตำรับตำรามียังไม่รู้อีกด้วยเชิญเชิญตามอภิญาใส่เถอะไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุขกบกแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองอีกทีว่ามันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ร่างกายนี้ เราเคยพิจรารณากันมาแล้วชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาพิทุขาความแก่เป็นทุกข์บรณนัมวิทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกกะปิเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความทัดพราจากขอนักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรง เป็นมันนี่เป็นนิจจังและแปล น, นิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมันมีการเคลื่อนไปทั้งมีเป็นปกติมันจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกรปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดกาลตลอดสมัยด้วยไม่รความว่ามันก็ไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสักตะวิหินสักตะวิรู้สักตะคิดว่ามันเป็นที่พึ่งทีาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันแล้วก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลก คำว่าเราไม่ต้องการมันเราก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ที่ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัใจจใัยเกิดทุกข์ในเมื่อร่างกายมันเป็นปัใจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรก และก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็ต้องมาเสื่อมมันก็ต้องม่โทรมันก็ต้องมีการส่งตัวนี่เราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราคืนผุพันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนอีกแล้วก็ทุกอย่างนี้อีก เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสปกปบกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปรแมนต า, าความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไป ขึ้นชีอว่าความผูกพันในร่างกายของเราก็ดีความผูกพันในร่างกายเขางป็นคลอื่นกนดีความผูกพันกันในวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อคูล ม, มันก็อาศัยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้ว ขึ้นชื่อว่าการเกิดมีขันหา้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันห้าต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงพรนิพพานได้ก็าพราะอาศัยปลดกายในเพระก็ปลดกายนอกคือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายของคนอื่น แล้วก็ไม่ติดใจสปปรรพวัตถุท่างหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วกนแล้วคนไปหามาใหม่ตายแล้วกนเลยกันคว า, ามพอใจในสร้างกายเราก็ดีคว า, ามพอใจในร่างกายของคนอื่นก็ดีที่เต็มด้วยด้วยความสุขปกองและเต็มด้วยความเบื่อทุกข์จงไม่มีในจิตกัมมันดาทั้งหลาย แในความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเพียงเพียงเท่า น, นี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันน้อยทวนไปดูในในสกัในส ก, กายติถิเมื่ทอทวนไปดูในสังโยชนที่ว่าในส ก, กายติถิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดีเยินได้ในร่างกายของตนเองก็ดี ไม่ยินดียินร้ายในร่างกายเขาบุคคลอื่นคนดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายในระในสัพพะวัตุทั้งหลายในโลกกดีอันนี้ชื่อว่าท่านทําให้แจ้งแล้วสิ่อมผลิพานเอาดาสําหรับเวลาที่จะอธิบายรับเขะสู่กันปังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วจะเพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปเอมรดาท่านนางหลายจงปฏิบัติกําลังใจของท่าน จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตามให้ทรงสติสัมปทันญาให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจรารณาคันหให้เขาถึงความเป็นจริงจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวดดี